ทำบุญได้บาปด้วยเหตุหประการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชีวกเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญหประการของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เจาะจงถวายตถาคตหรือสาวกของตถาคตคือหนึ่งการที่เขาเกล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านจงเป็นนาสัตว์ชนิดโน้นมานี้เป็นเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมากประการที่หนึ่งส การที่สัตว์นั้นได้รับทุกขโทโมนัตขณะถูกผูกคอนา aw, อนมานี้เป็นเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมากประการที่สองการที่เขาเกล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านจงไปฆ่าสัตว์ชนิดนี้นี้เป็นเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมากประการที่สามการที่สัตว์นั้นได้รับทุกขโทมนัตขณะถูกฆ่า นี้เป็นเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมากประการที่4 5. การที่เขาทำให้ตถาคตหรือสาวกของตถาคตยินดีด้วยเนื้อที่ไม่สมควรนี้เป็นเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมากประการที่หชีวกเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมาก5ประการนี้แลของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เจาะจงถวายตถาคตหรือสาวกของตถาคต เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วหมอชีวโกโกมรารพัฒจึงกราบทูลว่าน่าอัศ จ, จริงไม่เคยปรากฏพระพุทธเจ้าค่าพิกษุทั้งหลายฉันเฉพาะพัฒตาหารที่สมควรพิกษุทั้งหลายฉันเฉพาะอาหารที่ไม่มีโทษข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพาสิกของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิกของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก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 เป็นอุบาสกพูดถึงสาระตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลชีวะกะสูตรที่ห้าจบ 6. อุปาลิวาทสูตรว่าด้วย วาทะของกหะบดีชื่ออุบาลีข้าพระเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนปะบาวาริกรมรพวันเขตเมืองนาลันธาสมัยนั้นแหลนิครนนาตบุตรพร้อมกับบริษัทนิครนเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ที่เมืองนาลันธาต่อมานิครนชื่อทีฆตะปัดสีออกเที่ยวหาอาหารในเมืองนาลันทา กลับจากเที่ยวหาอาหารภายหลังเวลาอาหารแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงปาวาริก ร, รมพวันได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัส ก, กับนิครนชื่อทีขตะปัดสีซึ่งยืนอยู่หน้าที่นั้นแล ว, ว่าตปัดสีที่นั่งมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็จงนั่งเถิด เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วนิครนชื่อทีฆตะปัสสีจึงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าเปรียบเทียบทันทะสามกับกรรมสาม พระผู้มีพระภาคได้ตรถามนิโครนชื่อทีฆตะปัด ส, สีว่าตปัด ส, สีนิโครนนาตบุตรบัญญัติกรรมในการทํากรรมชั่วในการประพฤติ ก, กรรมชั่วไว้เท่าไหร่นิครนชื่อทีฆตะปัสศีทูลตอบว่าท่านพระโคดมนิโครนนาตบุตรมิได้บัญญัติเป็นอาจินว่ากรรมกรรมแต่บัญญัติเป็นอาจินว่าทันทะทันทะตะปัด ส, สี นิโครนาตบุตรบัญญัติทันทะในการทํากรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วไว้เท่าไหร่ท่านพระโคโดมนิโครนาตบุตรบัญญัติทันทะในการทํากรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วไวสามประการคือ 1. กายทันทะ 2. วจีทันทะ 3. มโนทันทะตปัดสีกายทันทะอย่างหนึ่งวจีทันทะอย่างหนึ่ง มโนทันทะอย่างหนึ่งหรือท่านพระโคดมกายทันทะก็อย่างหนึ่งวจีทันทะก็อย่างหนึ่งมโนทันทะก็อย่างหนึ่งตปัดสีบรรดาทันทะทั้งสามประการนี้ที่จำแนกแยกเป็นอย่างนี้คือ 1. กายทันทะสองวจีทันทะ 3. มโนทันทะนิครนหน้าตบุตร บัญญัติทันทะไหนว่ามีโทษมากกว่ากันในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วท่านพระโคโดมบรรดาทันทะทั้งสามประการที่จำแนกแยกเป็นอย่างนี้นิครนหน้าตบุตรบัญญัติกายทันทะว่ามีโทษมากกว่ากันในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วมิใช่วจีทันทะหรือมโนทันทะตะปัดสีท่านตอบว่า กายทันทะหรือท่านพระโคดมข้าพระองค์ทูลตอบว่ากายยทันทะตปัสีท่านตอบว่ากายยทันทะหรือท่านพระโคดมข้าพระองค์ทูลตอบว่ากายยทันทะตปัสีท่านตอบว่ากายยทันทะหรือท่านพระโคดมข้าพระองค์ทูลตอบว่ากายยทันทะพระผู้มีพระภาคทรงให้นิครนชื่อทีขตะปัดสี ยืนยันคำพูดนี้ถึงสามครั้งด้วยประการอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วนิครนชื่อทีขตะปัดสีจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมพระองค์ทรงบัญญัติทันทะในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วไว้เท่าไหร่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าตปัดสีตถาคตมีได้บัญญัติเป็นอาจินว่าทันทะทันทะ แต่บรรัญญัติเป็นอาจินว่ากรรมกรรมท่านพระโคโดมพระองค์ทรงบรรัญญัติกมในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วไว้เท่าไหร่ตปัดสีเราบรรัญญัติกมในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วไวสามประการคือ 1. กายกรรมสองวจีกรรมสมนโนกกรรมท่านพระโคโดมกายกรรมอย่างหนึ่งวจีกรรมอย่างหนึ่ง มโนกรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นหรือตปัสสีกายกรรมก็อย่างหนึ่งวจีกรรมก็อย่างหนึ่งมโนกรรมก็อย่างหนึ่งเท่านั้นท่านพระโคดมบรรดากรรมทั้งสามประการนี้ที่จำแนกแยกเป็นอย่างนี้คือหนึ่งกายกรรมสองวจีกรรมสามมโนกรรมพระองค์ทรงบัญญัติกรรมไหนว่ามีโทษมากกว่ากันในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่ว ตปัดสีบรรดากรรมทั้งสามประการที่จำแนกแยกเป็นอย่างนี้เราบัญญัติมโนกรรมว่ามีโทษมากกว่าในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วมิใช่ขยกรรมหรือวจีกรรมท่านพระโคโดมพระองค์ตรัสตอบว่ามโนกรรมหรือใช่เราตอบว่ามโนกรรมท่านพระโคโดมพระองค์ตรัสตอบว่ามโนกรรมหรือ ใช่เราตอบว่ามโนกรรมท่านพระโคโดมพระองค์ตรัสตอบว่ามโนกรรมหรือใช่เราตอบว่ามโนกรรมเนื้อครนชื่อที่ตะปัสสีให้พระผู้มีพระภาคทรงยืนยันในพระดํารัสนี้ถึงสามครั้งด้วยประการอย่างนี้แล้วลุกจากอาสนะเข้าไปหานิ ค, ครนนาตบุตรถึงที่อยู่ อุบาลีอาสาโตวาทะกับพระพุทธเจ้าสมัยนั้นนิครนหน้าตบุตรนั่งอยู่กับบริษัทคารหัสเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านพาลกะมีข้าพดีชื่ออุบาลีเป็นหัวหน้าได้เห็นนิครนชื่อทีคตะปัดสีเดินมาแต่ไกลจึงทักทายว่าตปัดสีเชิญทางนี้ท่านมาจากไหนแต่วันเชียวทีคตะปัดสีตอบว่า ผมมาจากสำนักของพระสมณโคโดมนี้เองขอรับท่านได้สนทนาปราศัยกับพระสมณโคโดมบ้างหรือไม่ก็ได้สนทนาปราศัยบ้างขอรับสนทนาปราศัยกันถึงเรื่องอะไรเล่าจากนั้นนิครนชื่อทิขตาปัสสีได้เล่าเรื่องที่สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคให้นิครนนาตบุตรฟังทั้งหมดเมื่อนิครนชื่อทิขตาปัสสีเล่าจบนิครนนาตบุตรจึงกล่าวว่า ดีละดีละตะปัสสีการที่ท่านทีคตาปัสสีชี้แจงให้พระสมณโครมฟังนั้นตรงตามที่สาวกผู้ได้ศึกษาจนรู้ทั่วถึงคําสอนของศาสดาอย่างถูกต้องชี้แจงไว้มโนทันทะอันต่ําซามจะดีงามได้อย่างไรเมื่อเทียบกับกายทันทะที่สําคัญเช่นนี้แท้จริงในการทํากรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วกายทันทะเท่านั้นมีโทษมากกว่า ม่ใช่วจีทันทะหรือมโนทันทะเลยเมื่อนิครนนาตบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วอุบาลีขาหาบดีได้กล่าวกับนิครนนาตบุตรว่าดีละดีละท่านผู้เจริญท่านทีฆตะปัสสีชี้แจงดีแล้วถูกต้องแล้วการที่ท่านทีกตะปัสสีชี้แจงให้พระสมณโคดมฟังนั้นตรงตามที่สาวกผู้ได้ศึกษาจนรู้ทั่วถึงคําสอนของาศาสดา อย่างถูกต้องชี้แจงไวมโนทันทะอันต่ำซามจะดีงามได้อย่างไรเมื่อเทียบกับกายทันทะที่สำคัญเช่นนี้แท้จริงในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วกายทันทะเท่านั้นย่อมมีโทษมากกว่ามิใช่วจีทันทะหรือมโนทันทะเลยท่านผู้เจริญเอาเถิดข้าพเจ้าจะไปโต้วาทะในเรื่องนี้กับพระสมณโคดมเอง พระสมณโคดมจกยืนยันเหมือนอย่างที่ท่านตปัสสียืนยันไว้อย่างนั้นข้าพเจ้าจะพูดตะล่อมวกไปวกมาหวานล้อมให้งงเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงจับขนแกะที่มีขนยาวฉุดดึงไปดึงมาหมุนจนงงหรือเปรียบเหมือนชายจากันผู้เป็นกรรมกรในโรงงานสุราทิ้งกระสอบที่มีส่วนผสมสุราใบใหญ่ลงในบอ่อหมักสาที่ลึก แล้วจับที่มุมสายไปสายมาสลัดออกเขาพเจ้าจักขจัดบทขยี้ซึ่งวาทะของพระสมณโคดมด้วยวาทะเหมือนคนที่แข็งแรงเป็นนักเลงสุราจับไ้สุราคว่าลงหงายขึ้นเขย่าจนน้ำสุราเสด็จหรือข้าพเจ้าจาักเล่นกีฬาซักป่านกับพระสมณโคดมเหมือนช้างแก่อายุห0สิปีลงไปยังสระลเล่นกีฬาซักปานท่านผู้เจริญ เอาเถิดเขาพระเจ้าจะไปจกโต้วาทะในเรื่องที่พูดกันนี้กับพระสมณโคดมเองข้าบดีท่านจงไปจงโต้วาทะในเรื่องที่พูดกันนี้กับพระสมณโคดมแท้จริงเราก็ได้ทีขตะปัสสีก็ได้หรือท่านก็ได้คุณโต้วาทะกับพระสมณโคดมเมื่อนิครนหนาตบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วนิครนชื่อทีขตะปัสสี ได้กล่าวกับนิครนนาตบุตรว่าท่านผู้เจริญการที่อุบาลีขะบดีจะพึงโต้วาทะกับพระสมณโคดมนั้นข้าพเจ้าไม่ชอบใจเลยเพราะพระสมณโคดมเป็นคนมีมารยารู้มายาเป็นเครื่องกลับใจพวกสาวกของอัญญาดิรถีได้นิครนนาตบุตรกล่าวว่าตาปสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีขะบดี จะพึงเป็นสาวกของพระสมณโคดมแต่เป็นไปได้ที่พระสมณโคดมจะพึงเป็นสาวกของอุบาลีขหบดีขหบดีท่านจงไปจงโต้วาทะในเรื่องที่พูดกันนี้กับพระสมณโคดมแท้จริงเราก็ได้ที่ขตปัสสีก็ได้หรือท่านก็ได้ควรโต้วาทะกับพระสมณโคดมแม้ครั้งที่สองนิ ค, ครนชื่อที่ขตปัสสี ก็ได้เตือนนิครนหน้าตาบทว่าท่านผู้เจริญการที่อุบาลีข้าบดีจะพึงโต้วาทะกับพระสมณโคดมนั้นข้าพเจ้าไม่ชอบใจเลยเพราะพระสมณโคดมเป็นคนมีมารยารู้มายาเป็นเครื่องกลับใจพวกสาวกของอัญญาเดรธีได้นิครนหน้าตาบทกล่าวว่าตปัสสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีข้าบดีจะพึงเป็นสาวกของพระสมณโคดม แต่เป็นไปได้ที่พระสมณะโคดมจะพึงเป็นสาวกของอุบาลีขหบดีขหาบดีท่านจงไปจงโต้วาทะในเรื่องที่พูดกันนี้กับพระสมณะโคดมแท้จริงเราก็ได้ทีขตะปัสสีก็ได้หรือท่านก็ได้ควรโต้วาทะกับพระสมณะโคดมแม้ครั้งที่สามนิโครนชื่อทีขตะปัสสีก็ได้กล่าวเตือนนิครนหน้าตบุตรว่า ท่านผู้เจริญการที่อุบาลีฆาบดีจะพึงโต้วาทะกับพระสมณะโคดมนั้นข้าพเจ้าไม่ชอบใจเลยเพราะพระสมณะโคดมเป็นคนมีมารยารู้มายาเป็นเครื่องกลับใจพวกสาวกของอัญญะดิรัีได้นิครนหน้าตบุตรกล่าวว่าตอปัดสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีฆาบดีจะพึงเป็นสาวกของพระสมณโคดม แต่เป็นไปได้ที่พระสมณะโคดมจะพึงเป็นสาวกของอุบาลีขะหะบดีขะหะบดีท่านจงไปจงโตวาทะในเรื่องที่พูดกันนี้กับพระสมณโคดมแท้จริงเราก็ได้ที่ขตปสีก็ได้หรือท่านก็ได้ควรโตวาทะกับพระสมณะโคดมอุบาลีขะหบดีรับคำนิครนหน้าตบุตรแล้วลุกจากที่นั่งไหวนิครนหน้าตบุตร และกระทำประทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงปาวาริกามพวันถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้เจริญนิโครนชื่อทีคตะปัสสีได้มาที่นี้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่ามากะหะบดีท่านผู้เจริญท่านได้สนทนาปราศัยขับนิโครนชื่อทีคตะปัสสีบ้างไหม ได้สนทนาบ้างข้าบดีท่านผู้เจริญท่านได้สนทนาปราศัยเรื่องอะไรกับนิคโครชื่อทีขตะปัสสีหรือจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสบอกเรื่องที่สนทนาปราศัยกับนิคโครชื่อทีขตะปัสสีทั้งหมดแก่อุบาลีข้าบดีทุกประการเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอุบาลีข้าบดีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ดีละดีละท่านผู้เจริญทีขตปั ส, สีชี้แจงดีแล้วถูกต้องแล้วการที่นิโครชื่อทีขตปั ส, สีชี้แจงให้พระผู้มีพระภาคฟังนั้นตรงตามที่สาวกผู้ได้ศึกษาจนรู้ทั่วถึงคำสอนของาศาสดาอย่างถูกต้องชี้แจงไว้มโนทันทะอันต่ำซามจะดีงามได้อย่างไรเมื่อเทียบกับกายทันทะที่สาคัญเช่นนี้แท้จริงในการทากรรมชั่ว ในการประพฤติกรรมชั่วกายทันทะเท่านั้นมีโทษมากกว่ามิใช่วจีทันทะหรือมโนทันทะเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขาหบดีหากท่านจะพึงยึดมั่นอยู่ในคำสัตว์แล้วสนทนากันเราจึงจะสนทนาในเรื่องนี้ด้วยอุบาลีข้าหบดีก ร, กราบทูลว่าท่านผู้เจริญพรพเจ้าจะยึดมั่นคำสัตว์แล้วสนทนากัน เราทั้งสองจงมาสนทนากันในเรื่องนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงย้อนถามปัญหาพระผู้มีพระภาคตรถามว่าขาหบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร นิโครนในโลกนี้ป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักถูกห้ามใช้น้ำเย็นใช้แต่น้ำร้อนเมื่อเขาไม่ได้น้ำเย็นจะต้องตายนิครนหน้าตบุตรบัญญัติว่านิครนผู้นี้จะไปเกิดณที่ไหนอุบาลีข้าบดีทูลตอบว่าท่านผู้เจริญเหล่าเทพที่ชื่อว่ามโนสัตมีอยู่เขาย่อมเกิดในหมู่เทพนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาเป็นผู้มีใจผูกพันตายไปขหะดีท่านจงใส่ใจแล้วชี้แจงดูทีทำไมคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านจึงไม่สัมพันธ์กันเล่าขหะพดีท่านบอกคำนี้ไว้ว่าท่านผู้เจริญเขาพระเจ้าจะยึดมั่นคำสัตว์แล้วสนทนากันเราทั้งสองจงมาสนทนากันในเรื่องนี้เถิดท่านผู้เจริญ พระผู้มีประภาคตรัสอย่างนี้ก็ถูกถึงกระนั้นในการทำกรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วกายทันทะเท่านั้นมีโทษมากกว่ามิใช่วจีทันทะหรือมโนทันทะเลยขหาบาดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในโลกนี้นิครนหน้าตะบุตรพึงเป็นผู้สํารวมด้วยการสังวรสี่อย่างคือหนึ่งเว้นน้าดิบทุกอย่าง 2. ประกอบขิดที่เว้นจากบาปทุกอย่าง 3. ล้างบาปทุกอย่าง 4. รับสัมผัสทุกอย่างโดยไม่ให้เกิดบาปแต่ขณะเธอก้าวไปถอยกลับย่อมทำให้สัตว์เล็กๆตายไปเป็นอันมากข้าบดีนิครนหน้าตบุบรจะบัญญัติว่านิครนผู้นี้มีวิบากอย่างไรท่านผู้เจริญ นิโคร น, นาตบุตรมิได้บัญญัติกรรมที่ไม่จงใจว่ามีโทษมากถ้าเป็นกรรมที่จงใจเล่าข้าบดีก็เป็นกรรมมีโทษมากท่านผู้เจริญนิโคร น, นาตบุตรบัญญัติความจงใจไว้ในส่วนไหนเล่าข้าบดีในมโนโทันทะท่านผู้เจริญข้าบดีท่านจงกาหนดใจแล้วชี้แจงดูทีทำไมคำหลังกับคาก่อน หรือคำก่อนกับคําหลังของท่านจึงไม่สัมพันธ์กันเล่าท่านกล่าวคํานี้ไว้ว่าท่านผู้เจริญเขาไเจ้าจะยึดมั่นคําสัตว์แล้วสนทนากันเราทั้งสองจงสนทนากันในเรื่องนี้เถิดท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ก็ถูกถึงกระนั้นในการทํากรรมชั่วในการประพฤติกรรมชั่วกายทันทะเท่า น, นั้นมีโทษมากกว่ามิใช่วจีทันทะหรือมโนทันทะเลย ขหาดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบ้านนาลันทานี้มั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่น άν, มิใช่หรือใช่ท่านผู้เจริญบ้านนาลันทานี้มั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นขหาดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรชายคนหนึ่งในบ้านนาลันทานี้เงื้อดาบขึ้นพร้อมกับพูดว่า เราจากทําสัตว์เท่าที่มีอยู่ในบ้านนาลันทานี้ให้เป็นลานเนื้อเดียวกันให้เป็นกองเนื้อเดียวกันชั่วขณะพริบตาเดียวท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเขา <AL> จะสามารถทําสัตว์เท่าที่มีอยู่ในบ้านนาลันทา น, นี้ให้เป็นลานเนื้อเดียวกันให้เป็นกองเนื้อเดียวกันชั่วขณะพริบตาเดียวได้หรือไม่ท่านผู้จเจริญต่อให้ใชายสิบคนยี่สิบคนสามสิบคนสี่สิบคน ห้บคนก็ไม่สามารถจะทำสัตว์เท่าที่มีอยู่ในบ้านนาลันทานี้ให้เป็นลานเนื้อเดียวกันให้เป็นกองเนื้อเดียวกันชั่วขณะพริบตาเดียวได้ชายผู้ต่ำซามคนเดียวจะเก่งกาดอะไรปานนั้นก้าหาบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์พูดถึงความเชี่ยวชาญทางจิตมาในบ้านนาลันทานี้สมณะหรือพราหมณ์นั้นบอกอย่างนี้ว่า เราจะาทำบ้านนาลันทานี้ให้เป็นเท่าด้วยจิตคิดประทุษร้ายครั้งเดียวขหาบาดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมณะหรือพรามผู้มีฤทธิ์พูดถึงความเชี่ยวชาญทางจิตนั้นจะสามารถทำบ้านนาลันทานี้ให้เป็นเท่าด้วยจิตคิดประทุษร้ายครั้งเดียวได้หรือไม่ท่านผู้เจริญบ้านนาลันทาสิบหลังยี่สิบหลังสาสิบหลังสี่สิบหลังห้าสิบหลัง สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ผู้ถึงความเชี่ยวชาญทางจิตนั้นยังสามารถทําให้เป็นเท่าได้ด้วยจิตคิดปรทุษร้ายครั้งเดียวแล้วบ้าน า, นาลันทาที่สุดโสมหลังเดียวจะคณ น, นาอะไรเล่าขหาบาดีท่านจงกําหนดใจแล้วชี้แจงดูทีทําไมคําหลังกับคําก่อนหรือคําก่อนกับคําหลังของท่านจึงไม่สัมพันธ์กันเล่าขหาบาดีท่านกล่าวคํานี้ไว้ว่า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 ป่ากาลิงคะป่าเมชะป่ามาตังคะได้กลายเป็นป่าทึบท่านได้ฟังมาแล้วมิใช่หรือใช่ท่านผู้เจริญเขาพระเจ้าได้ฟังมาแล้วขหาพดีท่านเข้าใจความข้อ น, นั้นว่าอย่างไรป่าทัานต ก, กีป่ากาลิงคะป่าเมชะป่ามาตังคะได้กลายเป็นป่าทึบเพราะใครท่านผู้เจริญเขาพระเจ้าได้ยินมาว่า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 เราทั้งสองจงมาสนทนากันในเรื่องนี้เถิดอุบาลีข่าบดีแสดงตนเป็นอุบาสกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพียงอุปมาข้อแรกข้าพระองค์ก็มีใจยินดีชื่นชมต่อพระผู้มีพระภาคแล้วแต่ข้าพระองค์ปรารถนาจะฟังปฏิพานการชี้แจงปัญหาอันวิจิตรนี้ของพระผู้มีพระภาคฉะนั้นข้าพระองค์จึงได้แท้งทำเป็นเหมือนอยู่ต่างฝ่ายกับพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตข้หาบดีท่านจงไครครวนก่อนแล้วจึงทำเถิดการไครครวนก่อนแล้วจึงทำเป็นความดีสำหรับคนมีชื่อเสียงเช่นท่านข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าขหาบดี ท่านจงไครครวนก่อนแล้วจึงทําเถิดการไครครวนก่อนแล้วจึงทําเป็นความดีสำหรับคนที่มีชื่อเสียงเช่นท่านข้าพระองค์ยิ่งมีใจยินดีชื่นชมต่อพระผู้มีพระภาคยิ่งขึ้นด้วยว่าพวกอัญยะดิรฐีได้ข่าพระองค์เป็นสาวกแล้วก็จะพึงเที่ยวประกาศไปทั่วหมู่บ้านนาลันทาว่าอุบาลีฆ่าบดีเป็นสาวกของพวกเราก็แล พระผู้มีพระภาคตรัส ก, กับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าข้าพอดีท่านจงใคร่ครวนก่อนแล้วจึงทําเถิดการใคร้ครวนก่อนแล้วจึงทํำเป็นความดีสําหรับคนที่มีชื่อเสียงเช่นท่านข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นครั้งที่สองขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจําข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสก พูดถึงสารณะนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้าบดีตรกูลของท่านเป็นดุดบ่อน้ำของพวกนิครนมานานแล้วท่านควรเข้าใจว่าควรให้บินทบาทแก่นิครนเหล่านั้นผู้เข้าไปหาต่อไปเถิดอุบาลีข้าบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แม้ด้วยพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าตระกูลของท่านเป็นดุดบ่อน้ําของพวกนิครนมานานแล้วท่านควรเข้าใจว่าควรให้บินทบาทแก่นิครนเหล่านั้นผู้เข้าไปหาต่อไปเถิดนี้ข้าพระองค์ยิ่งมีใจยินดีชื่นชมต่อพระผู้มีพระภาคมากยิ่งขึ้นข้าพระองค์ได้ฟังคํานี้มาว่าพระสมณโคโดมตรัสอย่างนี้ว่า บุคคลควรให้ทานแก่เราเท่านั้นไม่ควรให้แก่คนเหล่าอื่นบุคคลควรให้ทานแก่สาวกของเราเท่านั้นไม่ควรให้แก่พวกสาวกของนักบวชเ่าอื่นทานที่ให้แก่เราเท่านั้นย่อมมีผลมากที่ให้แก่คนเหล่าอื่นหามีผลมากไหมทานที่ให้แก่สาวกทั้งหลายของเราเท่านั้นย่อมมีผลมากที่ให้แก่สาวกของนักบวชเ่าอื่นหามีผลมากไหมแต่ความจริง พระผู้มีพระภาคทรงชักชวนให้ข้าพระองค์ให้ทานแม้ในพวกนิครนก็แลข้าพระองค์จากทราบการอันสมควรในการให้ทานนี้ต่อไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นครั้งที่สามขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอุบาลีข้าบดีบรรลุธรรมหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสอนุปปพีกถาแก่อุบาลีข้าบดีคือ ทรงประกาศทา น, นกถาเรื่องทานศีลกถาเรื่องศีลสักขะกถาเรื่องสวรรคา ม, มาทีนวกถาเรื่องโทษความต่ำซามความเศร้าหมองแห่งกามและเนคขมานิสังสะกถาเรื่องอนิสงแห่งการออกจากกามเมื่อใดพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าอุบาลีข้าบดีมีจิตควรบรรลุธรรม มีจิตอ่อนมีจิตปราศจากนิวรณ์มีจิตสูงมีจิตผ่องใสเมื่อนั้นจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกสมุทัยนิโรธมักผ้าขาวสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนจะพึงรับน้ำย้อมต่างๆได้อย่างดีแม้ฉันใดธรรมจากสุอันปราศจากธุลีปราศจากมณทิน เกิดขึ้นแก่อุบาลีขหบดีขณะที่นั่งอยู่นั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาก็ฉันนั้นเหมือนกันจากนั้นอุบาลีขหบดีเห็นธรรมบรรลุธรรมอย่างลงสู่ธรรมหมดความสงสัยไม่มีความถามใดๆมีความกล้า ไม่ต้องชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเอาเถิดบัดนี้ข้าพระองค์ขอทูลลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้าพเดีเธอจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดจากนั้น ปูบาลีขาา้าดีชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณแล้วกลับไปยังที่อยู่ของตนเรียกนายประตูมาสั่งว่านายประตูเพื่อนรักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะปิดประตูกันพวกนิครนทั้งชายและหญิงแต่เราจะเปิดประตูไว้สําหรับพระผู้มีพระภาค และสาวกของพระผู้มีพระภาคคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาท่านิครนคนใดคนหนึ่งมาท่านพึงบอกอย่างนี้ว่าหยุดก่อนท่านอย่าเข้าไปเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอุบาลีฆาบดีเป็นสาวกของพระสมณโคโดมแล้วอุบาลีฆาบดีปิดประตูกันพวกนิครนทั้งชายและหญิงแต่เปิดประตูไว้สําหรับพระผู้มีพระภาค และสาวกของพระผู้มีพระภาคคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหากท่านต้องการอาหารก็จงรออยู่ที่นี่และจะมีคนนำมาให้ที่นี่เองนายประตูรับคำอุบาลีขะหบดีแล้วนิครนชื่อทีฆตาปสีได้ยินว่าข่าวว่าอุบาลีขะหบดีเป็นสาวกของพระสมณโคดมแล้ว ลำดับนั้นจึงเข้าไปหานิครนหนาตาบุตรถึงที่อยู่แล้วถามว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้ยินว่าข่าวว่าอุบาลีขหบดีเป็นสาวกของพระสมณโคดมแล้วนิครนหนาตาบุตรตอบว่าตปัดสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีขหบดีจะพึงเป็นสาวกของพระสมณโคดมนั้นแต่เป็นไปได้ที่พระสมณโคดม จะพึงเป็นสาวกของอุบาลีขะหบดีแม้ครั้งที่สองนิครนชื่อทีฆตะปัดสีก็ได้กล่าวกับนิครนนาตบุตรว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้ยินว่าข่าวว่าอุบาลีขะหบดีเป็นสาวกของพระสมณโคดมแล้วนิครนนาตบุตรก็ยังพูดว่าตปัดสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีขะหบดีจะพึงเป็นสาวกของพระสมณโคดมนั้น แต่เป็นไปได้ที่พระสมณโคดมจะพึงเป็นสาวกของอุบาลีขะหะบดีแม้ครั้งที่สามนิครนชื่อเทียขตะปัดสีก็ได้กล่าวกับนิครนนาตบุตรว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้ยินว่าข่าวว่าอุบาลีขะหะบดีเป็นสาวกของพระสมณโคดมแล้วนิครนนาตบุตรก็ยังพูดด้วยความมั่นใจว่าตปัดสีเป็นไปไม่ได้เลยที่อุบาลีขะหะบดี จะพึงเป็นสาวกของพระสมณะโคดมนั้นแต่เป็นไปได้ที่พระสมณะโคดมจะพึงเป็นสาวกของอุบาลีขหบดีนิโครนชื่อที่คตะปัดสีกล่าวว่าท่านผู้เจริญเอาเถิดข้าพเจ้าจะไปดูให้รู้แน่ว่าอุบาลีขหบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมจริงหรือไม่นิโครนหน้าตบุบดจึงกล่าวว่าตปัดสีท่านไปเถิด จะได้รู้ว่าอุบาลีข้าบดีเป็นสาวกของพระสมณะโคดมจริงหรือไม่